วันนี้ก็เป็นวันพระปักสุดท้ายก่อนออกพรรษานะพรรษาหนึ่งก็ผ่านไปเร็วน ะ, ะเหลือแค่ปักสุดท้ายนะสิบห้าวันก็ก็จะออกพรรษาล ะ, ะก็เหมือนกับชีวิตเราน ะ, ะก็จะว่าไปก็ผ่านไปรวดเร็วเหมือนกันนะ วันหนึ่งคืนหนึ่งนะเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็ผ่านไปรวดเร็วเหนะมือนอย่างเมื่อกี้เราก็ได้สรวจนะวันวันคืนร่วงไปร่วงไปนะบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะบทที่บันทึกนะบนพิจรารณาทั้งสิบประการนะ่ะ ไม่ว่าเราจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นญาติโยมนะนะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะในการพิจารณาดูตัวของเราเองนะว่าเราเราทำตัวอย่างไรนะมันก็จะเกิดประโยชน์มากนะการที่เราได้มาศึกษาธรรมะเนะี่ยเราน้อมเอาธรรมะนะบทใดบทหนึง่ง บทที่เรารู้สึกประทับใจบทที่เรารู้สึกว่ามันมันเข้าใจแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตของเราจริงๆนะอันนี้นสาคัญที่สุดบางทีเราไม่ต้องไปรู้เยอะมากก็ได้ว่ามันธรรมะที่พูะจารย์สอนมันมีเยอะมากเพราะว่าท่านสอนคนหรือว่าสอนเทวดา โรมอะไรต่างๆก็สี่สิบห้าพัษานะสี่สิบห้าปีมันก็เยอะมากเราไอ้ไม่ต้องไปเรียนรู้ทั้งหมดก็ได้แต่ให้เราเอาบทใบดบทหนึ่งหรือว่าเอาหลายๆบทมาผสมกันแล้วเรารู้สึกว่ามันมันถูกกับจดดิตของเรานะมันสามารถเราสามารถเอาไปประยุกนะให้กับชีวิตของเราได้จริงๆเนะ นะเอาแค่นั้นก็ก็พอละนะไม่ต้องเอาอะไรมากมายนะแต่ขอให้มันเอาไปทำจริงๆนะเอาไปทำจริงๆนะมันจะเกิดประโยชน์มากนะดีกว่าบางคนชอบไปศึกษานะชอบอ่านตำราหรือชอบไปนะไปหาครูบาอาจารย์หลายแห่งเนาะบางทีมันเหมือนเอาไป ไปเหมือนให้รู้ว่าเขาเขาสอนอย่างไรเขาทําอย่างไรนะแต่ตัวเองไม่ค่อยเอามาทําจริงๆเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์น้อยมากนะคล้ายๆเหมือนกับเหมือนเราจะเข้าบ้านนะบานทีบ้านหลั ง, ลงเน้นนะมันมีหลายประตูมากนะเราก็เดินวนนะอยู่รอบบ้านนะมันมีประตูนั้นมันมีประตูนี้น่มนมะนนะมีหน้าต่างมีช่องทางให้เข้าได้ ได้หลายทางมากนะเราก็เดี่ยวไปศึกษาวิธีเข้าประตูที่นั่นที่นี่เราะประตูที่นั่นที่นี่แต่ไม่ยอมเปิดประตูไม่ยอมเข้าไปสักทีนะก็วนเดี๋ยวรอบบ้านนะมันก็เข้าบ้านไม่ได้นะแต่จริงธรรมะจริงๆนะมันเหมือนเร า, เาธรรมะบทใดบทหนึ่งนะเหมือนประตูเดียวเนี่ยแหละนะพยายามเปิดมันให้ได้นะ แล้วก็เข้าไปให้ได้เนี่ยพอเข้าไปถึงบ้านเน่ยมันก็สําเร็จประโยชน์ละนะมันก็ทะลุทะลวงไปได้หมดทุกอย่างแหละหรือเราจะเดินขึ้นเขาเนาะเราทางขึ้นเขาเนี่ยทีย่จริงแล้วก็สามารถตัดได้หลายทางหรือว่ามันมีทางที่อุบาจาร์หรือคนที่เขาตัดไว้ก่อนเนี่ยเขาทาทางไว้ก่อนเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายทางนะ เราก็เดินตามให้มันถึงจุดหมายปลายทางแต่นะทางไหนก็ได้นะมันก็สามารถขึ้นสู่ยอดเขาได้แต่ถ้าเราแบบเพียงแค่บนอยู่รอบๆตีนเขานะแล้วก็ดูว่ามันมีทางกี่ทางนอสนะหรือไปสงสัยทางตรงนั้นมันเป็นแบบไหนนะขึ้นไปแล้วจะเป็นแบบไหนนะถึงยอดเขาแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะ แต่เราไม่ลงมือทำเนี่ยสิ่งสําคัญจริงๆคือการการลงมือทําเนี่ยมันมันสําคัญที่สุดเลยเนีถ้าเราลงมือทํานะเอสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็เกิดผลนะแน่นอนนะมีมีเด็กคนนึ่งนะมีเด็กคนหนึ่งเขาก็เป็นเด็กที่อาจจะเรียกว่าตามวัยเนาะก็ติดเนะี่ย ติดเพื่อนติดเกมติดโทรศัพท์นะอยากจะได้โทรศัพท์ก็ไปขอให้แม่ซื้อโทรศัพท์ให้นะแต่แม่เองก็ยากจนนะก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเงินก็ก็เลยยังไม่ซื้อให้เขาก็เป็นแค่เด็กระดับประถมเองนะแม่ก็ว่ามันยังไม่จําเป็นจะต้องมีแม่ก็ไม่ซื้อรวมทั้งแม่เองก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยนะแต่เด็กเองนะพอมัน พออยากได้พอเห็นเพื่อนมีก็อยากจะได้ตามเพื่อนนะก็ขอแม่อย่างนั้นอย่างนี้นะก็โกรธไม่พอใจแล้วก็มีที่โรงเรียนนะเขาพอเพลิญเขาจะให้มีประกวดเขียนเขียนเรียงความเรื่องโนะตขึ้นไปฉันจะเป็นคนดีนะเด็กก็เขียนเรียงความนะ ก็เห็นว่ามันเป็นช่องทางที่จะได้เงินนะเงินรางวัล น, นะเพื่อที่จะเอาเงินรางวัล น, นั้ไปซื้อโทรศัพท์นะก็เลยอยากจะเขียนเรียงความนั้นนะที่จริงก็เป็นเอาตัณหานะความอยากนะเอาความอยากมามาล่อก็พยายามถามคนนั้นคนนี้ว่าจะเขียนแบบไหนให้ชนะเลิศดนะ่ะที่จริง ไมไ่ต้องการสนใจเนื้อหาเท่าไหร่หรอกแต่ก็อยากจะได้รางวัล น, นะแต่ก็ดีในแง่หนึ่งว่ามันก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเนาะเพื่อจะเขียนก็ไปถามหลายหลายคนนะพอดีก็ไปถามผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ที่เขาก็เป็นคนที่มีจิตอาสานะแล้วก็ศึกษาธรรมะเนี่ยเขาก็สอนธรรมะสามข้อนะให้กับเด็ก เรื่องหัวใจที่เราสวดในโอวาทปาติโม่กันนะเรื่องการไม่ทำบาปทั้งปวงนะแบบไหนนะก็คือการมีศีล น, น่ยนะการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะก็สอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์นะการชำระจิตให้ขาวรอบนะก็สอนเรื่องเนะี่ยสมถะวิปัสสนานะ่ะ เขาก็สอนเด็กแบบนี้นะอันนี้เป็นเป็นหนังสือนะะเป็นหนังสือแต่งนะเขาก็สอนเด็กนะแล้วเด็กก็เนี่ยเอาสามสิ่งเนี่ยแหละเอาไปทําในชีวิตนะทั้งช่วยแม่ทํางานช่วยแม่เลี้ยงน้องนะรักษาศีล น, นะไม่ทําบาปนะสมทั้งหมั่นฝึกดูอารมณ์ดูจิตใจของตัวเองด้วยเห็นความอยากนะ ความอยากที่จะได้โทรศัพท์แต่พอดูมันเฉยๆนะความอยากมันก็จบไปนะเนะี่ยะเขาก็เอามาทำในชีวิตของเขาเนะ่เวลาผ่านไปนะเป็นเดือนสองเดือนนะกำหนดที่จะเขียนเรียงความส่งเนะี่ยเขาบอกว่าคือแต่ก่อนเนะี่ยอยากจะได้เงินรางวัลเพื่อเอาไปซื้อโทรศัพท์นะแต่พอศึกษาธรรมะจริงๆแล้ว เารู้สึกเขาได้รางวัลของชีวิตเขาแล้วนะ่ะไม่ต้องรอไม่ต้องรอเงินรางวัลนอนะ่ะเพราะรางวัลของชีวิตที่ดีจริงจรงคือเนี่ยแหละคือการที่ได้รู้จักว่าเป็นคนดีเป็นแบบไหนนละความชั่วทําอย่างไรแล้วก็ฝึกจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์ทําแบบไหนเนี่ยอันนี้เป็นรางวัลที่มีค่ายิ่งกว่ารางวัล สิ่งอื่นนะของชีวิตอีกนะอันนี้ก็จะว่าการแค่เอาธรรมะสามข้อนี้นะเอาไปทําจริงๆเนะี่ยมันก็เกิดผ ล, ละ่นะเกิดผลจริงๆนะจากข้อไหนก็ได้นะวิธีการไหนก็ได้นะมันถ้าเราเอาไปใช้จริงๆเนะี่ยมันเรียกว่ามันครอบคลุมไปทั้งหมดนะเนะนี่ยมันสําคัญมากนะอย่างเราสมมติเราเอาแค่ เรื่องการเจริญสติเนี่ยก็ครอบคุมได้หมดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเรามีสตินะก็ทำให้เรามีศีล น, นะที่จะไปทำชั่วทำไม่ดีนะทำชั่วทำไม่ดีก็คือทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะทำให้ตัวเราเดือดร้อนนะั่นแหละเอาง่า ย, ายๆศีล น, นะศีลคือไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อน น, ะนี่คือศีล น, นะ เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนคนตัวเราเองไม่เบียดเบียนผู้อื่ น, นทําความดีนะทํากุศลนะก็ทําหน้าที่ให้มันดีนั่นแหละ น, ะนะเป็นลูกก็ทําหน้าที่ของลูกให้ดีในการดูแลพ่อแม่นเป็นนชาวพุทธนะก็ทําหน้าที่ดูแลธนบรมรุร่งพระพุทธศาสนาอย่างไรนะ เป็นประชาชนนะทำหน้าที่การงานอย่างบริสุทธิ์สุดจริตอย่างไรนะรวมทั้งหน้าที่ของความเป็นคนด้วยนะเราเกิดมาเป็นคนแล้วนะเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะถึงจะมีประโยชน์มีคุณค่าที่สุดเราก็ถ้าเรามีสตินะมันจะเป็นตัว สวเตือนเราเลยนะไอการพอมันคิดไม่ดีขึ้นมาถ้าเราเพียงแค่รู้ทันพวกเนะี่ยความคิดมันก็มันเหมือนมันไม่ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆว่าเมลได้พัน์อะไรก็แล้วแต่นะพอเราเพาะอยู่ในในกระถางหรือว่าในถุง มันงอกขึ้นมาปุ๊บนะเราไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องให้อาหารมันนะแล้วก็ไม่เอามันไปตั้งไว้ในที่ที่กลางแจ้งเลยนะเมลไดพันธุนั้นไม่เจอแดดไม่เจอฝนนะไม่ได้ปุ๋ยไม่อะไรนะเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแห้งไปเหมือนกับความคิดเนี่ยนะฮะความคิดเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไปเอ่อออหอมหบกกับมันนะไม่ไปเติมเอ่า อาหารให้กำมันเนะ่ะเดี๋ยวมันก็หายไปนะมันไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นหลักนะแต่ปัญหาก็คือเนะี่ยเราไม่รู้ทันนะพราเราไม่รู้ทันเราก็เลยไปเติมเชื้อน ะ, นะเชื้อก็คือเนะี่ยความความพอใจความไม่พอใจนะความอยากความไม่อยากนี่แหละนะที่มันไปนจะเป็นเชื้อในการเติมนะเช่นมันคิดฟุ้งซ่านขึ้นมานะเรื่องอะไรก็ได้นะ สมมติเรารู้สึกมันฟุ้งร้านเราไม่ชอบนะไม่ชอบพอไม่ชอบเนะี่ยบางทีเราก็จะไปห้ามมันนะเนะ น, นี่ยอันเนี้ยไปห้ามมันก็เป็นการทําผิดแล้วเพราะว่าเราไปกดเราไปข่มรอมทังความไม่ชอบนั่นก็เป็นโทสะอย่างหนึ่งนะเนะี่ยมันก็มีเชื้อโทสะแล้วก็มีการกระทํำนะเข้าไปกดเข้าไปข่ม พอทําไป บ, บ่อยนะมันฟุ้งซ่าน บ, บ่อยแล้วก็กดก็กข่ม บ, บ่อยเนะี่ยทําไปนานๆ น, นะมันก็อึดอัดนะมันก็แน่นอย่างเมื่อวานที่พระอาจารย์เมสานท่านเล่าประสบการณ์ท่านตอนที่ปฏิบัติความหลวงพ่อเทียนะ่ท่านบอกถ้าได้คิดว่าปฏิบัติทมนะเือต้องไปกดข่มอารมณนะ์เนี่ยคือถ้าจริงๆอะถ้ากดข่มอารมณ์เนี่ยแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ก็เหนื่อยละนะถ้าจะให้ทําเป็นทั้งวันเนี่ยโอ้ มันยิ่งหนักเลยแหละนะอืมเหมือนเราต้องไปสมมตนะิน่ะเราต้องไปทํางานแบกอะไรหนักๆเนี่ยทําทั้งวันมันก็เหนื่อยนะเพราะาเราต้องแบกนะมันใช้แรงเยอะนะทําทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็หนักถ้าเราทํากรรมาฐานแบบไปกดข่มอารมณ์ก็เหมือนกันนะมันก็จะหนักมากมันเหนื่อยเพราะมันเหมือนต้องไปห้ามต้องไปปาลมต้องไปครอบคุมควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะ ให้เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเฉะนั้นไม่ต้องไปข่มมันนะทําให้มันสบายๆปกตินอย่าไปเกรงนะอย่าไปกลัวนะหรือถ้ามันเกรงถ้ามันกลัวให้เรารู้ทันนะอมันทําแบบเดินก็เดินธรรมดา น, ะนั่งก็นั่งให้มันผ่อนคลายยกมือก็ยกให้มันผ่อนคลายนะอย่าไปคิดว่า ตอนนี้เราปฏิบัติแล้วนะต้องสงบปฏิบัติแล้วมันต้องไม่คิดอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะคิดว่าจะให้มันไม่คิดเนี่ยก็คือความหลงแล้ว <c oughs> คิดว่าปฏิบัติแล้วมันจะต้องสงบเนี่ยก็มันหลงแล้วนะคิดว่าท่านปฏิบัติแล้วมันต้องได้อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันหลงตั้งแต่ตอนนี้ละแต่จริงนั่งก็แค่รู้ตัวว่านั่ง ให้รู้สึกที่ปัจจุบันเนี่ยนั่งรู้สึกตัวพอแล้วนะพลิกมือรู้สึกตัวเนี่ยพอแล้วนะจะเรียกว่าทาแบบถ้าทาแบบแค่รู้สึกตัวเห็นนะมันไม่มีความคาดหวังอะไรนะเพราะว่ามันจบที่ความรู้สึกตัวนะแม้มันจะหลงไปนะรู้สึกตัวเนยะมันก็จบนะ ไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะต้องไม่คิดอีกนะมันจะต้องรู้ตัวแบบนี้อีกนยะอันนี้ก็คือการหลงแล้วนะแค่หลงว่าเดี๋ยวเราสมมติเราพลิกมือสุดรู้สึกตัวเราไปคิดว่าเราเดาเรายกมือแต่ต้องให้รู้สึกตัวอีกเนะี่ยแค่คิดแบบนี้ก็คือการที่จิตมันไปอานาคตนะ ม, มันคาดหวังแล้วนะหรือพอเราพลิกมือรู้สึกตัวปุ๊บนยะ ใจจะไปคอยรู้เวลาที่มันจะยกมือเนี่ยใจที่มันไปนคอยรู้ก่อนเนี่ยมันก็คือมันผิดนะนะเพราะว่าจิตมันไปก่อนนะไม่ใช่นะพลิกมือปุ๊บรู้สึกนะพอมันหยุดใช่ไหมใจก็รู้สึกกับการหยุดมือนั่นแหละนะไม่ไปไม่ไปพูดไม่ไปรู้สึกในตอนที่มันพลิกมือกี้เพราะว่าจิตมือกี้มันหยุด ร่างกายมันหยุดนะจิตก็หยุดกับการหยุดนะก็รู้สึกนะไม่ไปนะคิดถึงการยกมือครั้งหน้านะแล้วก็ไม่ไปคิดถึงการพลิกมือเมื่อสักครู่นี้นะจิตแค่รู้สึกที่ปัจจุบันนะ่ะพอเลยนะอพอยกมือขึ้นปุ๊บนะรู้สึกนะมันหยดุดนะเรารู้สึกนะหรือไม่อาจจะเผลอไปคิดปุ๊บนะ เราก็แค่รู้สึกปุ๊บเนะี่ยมันก็กลับมาเนะี่ยทำแค่ปัจจุบันนะให้มันดีที่สุดนี่มันแบบนีน้แค่รู้สึกตัวในปัจจุบันเนะี่ยไม่ต้องไปอยากหรือไม่อยากอะไรนะนะมันก็ไม่เป็นอะไรละนะเพราะว่ามันเป็นปกตนะิมันอยู่ในสภาวะความเป็นปกตินะ ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันนะแต่ปัจจุบันก็ที่จริงก็ไม่ควรเรียกว่าอยู่ปัจจุบันหรอกเรียกว่ารูนะ้รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเพราะเราเองไม่ได้เข้าเอาจิตไปอยู่ในในมือในขาหรือว่าในอารมณ์ต่างๆแต่เราสร้างสติให้เป็นผู้รู้นะรู้ที่ปัจจุบันนะ ถ้าเรารู้ที่ปัจจุบันนะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามเนี่ยมันมันไม่ใช่ความจริงนะหรือการที่เราไปคิดย้อนอดีตก็ดีคิดไปถึงเรื่องอนาคตก็ดีนะมันคือมันก็คือความคิดในปัจจุบันนั่นแหละนะแต่มันเป็นความคิดถ้าเราสมมติถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเนาะมันเผลอไปคิดแล้วเราก็ไปคิดตามมันนะอันนี้เรียกว่าเราหลงเนาะ เราก็ไหลนะเราเ อ, าอาดีตมาดึงเข้ามาที่ปัจจุบันเราเอาอนาคตดึงเข้ามาปัจจุบันถ้าเราก็ไปจมกับความคิด น, ะ น, นั่นก็คือความหลงแต่ถ้าเราตั้งใจคิดนะคิดเพื่อพูดคิดเพื่อวางแผนนะต่างๆถ้าเราตั้งใจคิดนะก็ไม่เป็นไรนะก็สามารถดึงเอาประสบการณ์ในอดีตมาทบทวนดึงเอา การวางแผนในอนาคตมาตั้งไว้ในปัจจุบันอันนั้นก็ได้นะคือการตั้งใจตั้งใจคิดอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่ตั้งใจคิดปุ๊บเนี่ยมันคิดขึ้นมาปุ๊บนะแต่เป็นอดีต ก, ก็ตามอนาคตก็ตามหรือแม้แต่ปัจจุบันก็ตามนะมันไม่ได้ตั้งใจคิดมันคิดของมันเองแล้วเราก็หลงไปกับมันนี่นก็เราหลงไปละเราจมไปละ แต่ถ้าเราเพียงแค่รู้รู้ตัวปุ๊บนะจิตมันก็จะดูดออกมาจากความคิดนะหลวงพอเทียนก็เลยบอกว่าตัวปัญหาลักจริงๆอ่ะคือคือความคิดนะคนคนเราทุกนะเพราะเหตุเพราะมันเพราะความคิดนะแต่ก็ต้องวงเล็บนี่แหละว่าไอ้ตัวรักคิดนะไอ้ตัวที่คิดแบบไม่ได้ตั้งใจนะ่ะนะไอ้ตัวที่คิดแบบตั้งใจก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรอก เราก็เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนาะมันก็ยังต้องมีอยู่นะไม่ใช่ไปทิ้งสมมติทั้งหมดไม่ใช่ไปทิ้งความคิดทั้งหมดนะความคิดที่ตั้งใจเราก็คิดได้นะแต่ตัวรักคิดนยะตัวที่คิดที่ไม่ตั้งใจเนะี่ยคือคือเหตุนะที่มันทำให้เกิดเป็นความปรุงแต่งเกิด ค, ความทุกข์ต่อเนาะแต่จริงพอมันคิดปุ๊บนะ ถ้าเราแค่รู้ทันปุ๊บเนะี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหานะอืแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ทันเราก็เลยไหลไปกับมันปัญหาพอเราไม่รู้ตัวนะเราก็เลยไปชอบไปไม่ชอบนะเราก็เลยไปตามบ้างหรือไปห้ามมันบ้างเนะี่ยนี่คือปัญหาจริงนะจะเรียกว่าบางทีจะเรียกว่าไอความที่คิดแว บ, บขึ้นมาเนะี่ยมันเป็นปัญหาเล็กน้อยมาก แต่ปัญหาที่มันใหญ่กว่าคือเราไม่รู้ตัวแล้วเราก็เลยไปไปชอบหรือไม่ชอบนะไปตามหรือไปห้ามนะนี่ปัญหานี่หนักกว่านะจะเรียกว่าปัญหาบางทกีก็ไม่ให้เป็นปัญหามากหรอกเล็กน้นนอยแต่ท่าทีในการที่เราวางใจกับมันนั่นแหละนะเป็นปัญหาท่าทีของเรา ถ้าทีของใจนะที่ว่าทีของใจที่ไปชอบไปชังหรือไปอยากหรือไปไม่อยากนั่นแหละนะไปปรุงแต่งต่อนั่นแหละคือปัญหาจริงๆนะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจนะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการปรุงแต่งไม่หยุดไม่สิ้นทับเปีนะแต่ถ้าเราแค่รู้เฉยเฉยนะปุ๊บนะมันจบนะมันจบเพียงแค่รู้ว่าคิด นะั่นจบแค่นั้นนะไม่ไม่อะไรต่อไม่ต้องห้ามไม่ต้องตามจบเพียงแค่รู้ว่ามันคิดนะี่มันก็หยุดละนะอันนั้นบางทีพอเราภาวนาไปเรื่อยสติเกิดขึ้นเรื่อยๆนะ้วก็เห็นเนหะ็นน่ะแค่รู้ว่ามันคิดมันจบเอนะแค่รู้ว่ามันคิดมันจบนะมันกลายเป็นยิ่งคิดมากเนยะยิ่งรู้สึกตัวมากนะ แต่ก่อนเรามองความคิดเนะี่ยเป็นปัญหา้าเราต้องไปห้ามต้องไปควบคุมนะมันเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ถ้าเราเตือนแค่รู้ปุ๊บเนี่ยความคิดกลายเป็นอาหารนะมันยิ่งสนุกยิ่งเกิดปัญญามากขึ้นยิ่งเกิดสติมากขึ้นหนละงพ่อเทียนตาหนังก็เลยพูดนะบางทีมันยิ่งคิดมากนะเราก็ยิ่งรู้มาก น, ะนั้นความคิดกลายเป็นไม่ใช่ปัญหาละนะ แต่ความคิดกลายเป็นอาหารเป็นอุปกรณ์ทําให้เราเกิดสติปัญญาขึ้นนะเพราะมันยิ่งคิดบ่อยเท่าไหรเรารู้ตัวบ่อยเท่านั้นนะมันก็เรียกว่าได้สติละนั้นสตินะก็เกิดขึ้นได้นะทั้งการที่เราทั้งที่ร่างกายเขาทานะแล้วใจเขารู้นะกายเคลื่อนนะใจรู้กายหยุดใจรู้นะ กายกระทบน่ะใจรู้นะเนี่ยคือร่างกายที่มันทําอะไรก็แล้วแต่เราแค่รู้สึกิเฉยๆนะคำว่ารู้สึกเนี่ยมันเหมือนแตะแตะนะปุ๊บเหมือนเหมือนกระทบฮะไม่เข้าไปในเกินไปไม่ใช่แบบไม่ไปจับให้มันแน่นนะมันเหมือนแค่รู้ปุ๊บน่ะรู้กระทบนะเหมือนจิตมันมันรับรู้ละนะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเหมือนเสียงมันเกิดขึ้นมานะ เราไม่ต้องไปคอยแบบเงี่ยหูฟังไม่ต้องไปคอยอะไรมากล่ะมันกระทบปุ๊บเนะี่ยมันได้ยินละมันจบแล้วนะแต่บางทีถ้าเรามากไปคือเหมือนเราไปตั้งใจไปคอยดูอะไรเนงะี้ยมันมากไปเนะี่ยอืมหรือมันก็ลงไปอีกอย่างคือแบบไม่สนใจเลยนะไปคิดนั่นคิดนี่คนพูดมาก็ไม่ได้ยินหรอกเพราะเราอยู่ในโลกของความคิดนะนะ คือแต่ถ้าเราแบบเป็นธรรมดาธรรมชาตินะสบายๆนะเมื่อเกิด อ, อะไรขึ้นมาเนะี่ยมันกระทบปุ๊บเนะี่ยมันก็รู้สึกทันทีนะนั่นร่างกายเนี่ยนะที่จริงตอนไหนที่ถ้าเราไม่จมในโลกของความคิดหรืออารมณ์ต่างๆนะมันก็รู้สึกตัวได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันเดินยืนนั่งนอนทำอะไรต่างๆเนี่ย ร่างกายมันค่อนข้างเคลื่อนไหวแบบชัดเจนอยู่นะเราก็รู้สึกได้นะหรือเรานั่งนิ่งๆ น, นะเราก็อาจจะดูเราก็จะอาจจะอาจจะเห็นอ่าการเคลื่อนไหวที่มันเล็กๆน้อยๆที่มันชัดเจนขึ้นนะอือ ม, มันก็ถูกเหมือนกันนะะแต่สําคัญคือให้รู้นะอย่าเข้าไปอยู่นะรู้อย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ให้รู้นะ ไม่ใช่เข้าไปอยู่นะรู้นะรู้สึกถึงการหายใจเข้ารู้ถึงการหายใจออกนะแต่ไม่ใช่เอาใจเป็นแน่กับการหายใจแบบนนะเคลื่อนไหวอย่างอื่นก็เหมือนกันนะเล็กๆน้อยๆบางทีมันก็รู้นะแต่บางทีก็ไม่ต้องไปส่งใส่นะบางทีมันก็ไปรู้ละเอียดบางทีเรา ตึงๆเลยสักหนาหนึ่งพอนั่งพักนะนดีเห็นสมองเห็นหัวมันแบบเหมือนคล้ยค่อยๆคลายตัวอะไรแบบนั้นเห็นหัวใจที่มันค่อยๆปรับให้มันเต้นช้าลงอนะไรแบบนั้นทนนิดนะงก็ไม่ต้องตกใจมันก็ถูกแล้วธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราสงสัยนะให้เรารู้ตัวว่าเราสงสัยไอ <c oughs> ้สงสัยทําไมมันรู้แบบนี้นะให้เรารู้ตัวแบบนี้นพอเลย ไม่มีคำถามเลยจบจบแค่รูนะ้ความคิดก็เหมือนกันอารมณ์ ก, ก็เหมือนกันนะอย่างที่ว่าเราไม่ต้องไปห้ามมันนะสติปัฏฐานนะนะเราเน้นแบบไม่ทาแบบไม่ต้องห้ามปล่อยให้มันเป็นธรรมดานะแต่เพียงแต่ว่าให้เรารู้ทันไม่ไปกรุมแต่งกับมันต้อแค่รู้ว่ามันคิดนะก็พอนะ ไม่ต้องไปรู้ว่ามันคิดอะไรก็ได้เอนะไม่ต้องไปแยกว่ามันดีหรือไม่ดีก็ได้นะแค่รู้ว่าใจมันคิดเนะีนะ่ยอมันเหมือนคล้ายๆเนะี่ยรู้ว่าใจมันคิดก็คือเนะี่ยมันรู้ตรงที่ต้นตอความคิดมันออกมาจากใจดนะนะูแค่ตอเนนีะ้รู้ตรงต้นตอต้นทางเนะี่ยจบเลยนะไม่ต้องไปแบบ ไอ้ความคิดที่ปรุงไปแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นดอกเป็นผลที่มันออกมาอีกทีหนึ่งนะเราไม่ต้องไปตรงนั้นเรามาดูทันที่ตรงต้นทางเลยต้นทางนะคล้ายๆเหมือนเราอยากจะรู้ว่ารถที่ขนส่งตรงนี้บขสตรงนี้ยนะมันมีรถเข้ามีรถออกกี่คันนะต่อวันนะเราก็อยู่ตรงบขสนั่นะแหละนะ เราก็เช็คลดเข้าลดออกตรงนั้นแหละนะเราไม่ต้องไปคอยตามไปคอยดูว่ารถมันจะเข้าตอนไหนรถออกไปแล้วออกไปยังไรนะไม่ต้องไปคอยตามนะเราแค่เช็คอยู่ตรงต้นทางเลยต้นทางจริงๆนะคือจิตใจเนี่ยหละนะมันจะไหลออกไปก็ไหลออกจากจิตใจนี่แหละนะอมันจะปรุงแต่งอย่างไรก็ปรุงออกจากจิตใจแหละ เราแค่รู้ว่าใจมันคิดเนี่ยพอเลยนะพอละนะเนี่ยคือถ้าเราภาวนาแบบนี้นะอืรู้กายเคลื่อนไหวนะรู้ใจมันเผลอไปคิดเนะนี่ยแค่เนี้ยคือการภาวนาทั้งนั้นนะถ้าเราภาวนาแบบนี้ได้นะอืเกิดความมันก็ละความชั่วได้ละความหลงได้นะกุศลเราก็ทํานะตามเรียก ว, ว่าตามเหตุตามปัจจัยตามโอกาสนะ แต่เราจะเห็นจริงกุศลจริงๆนะคือการที่เรามีศีลคือการที่เรารักษาใจให้เป็นปกติได้บ่อยขึ้นนะคือการที่เราไม่หลงไปกับความคิดเนะี่ยมันเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่ามันเห็นมันเห็นความหลงเห็นกิเลสแล้วมันก็ละความหลงละกิเลสได้เนะี่ย มันเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยนะมันเห็นเราเผลอไปยึดไปติดไปแบกอะไรแล้วแล้วมันปลดปล่อยสิ่งที่ยึดสิ่งที่แบกสิ่งที่ติดได้เนี่ยมันเป็นกุศลที่ที่ยิ่งใหญ่นะแต่ก่อนเราคิดว่าบุญกุศลเนี่ยคือเหมือนเราได้อะไรเนาะเหมือนเราได้สิ่งของได้เงินทองเหมือนเราสะสมนะ แ ต, แต่ก่อนคิดว่าบุญกุศลคือการเหมือนเราได้นะเป็นการสะสมนะแต่ไม่รู้นะตอนหลังคิดว่ากุศลอย่งจริงคือการคือการสะระนะคือการเอาออกะอะไรที่มันยึดติดนล้มันเอาออกได้อะไรที่มันหลมแล้มันเอาออกได้ไหยที่มันเหนียวแน่นนะเป็นกิเลสตัณหาอุปาทา น, นะอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วมันเอาออกได้นะ อันเนี้ยกุศลคล้ายๆเหมือนกับอาบน้ํานะเอาขี้ไข่ออกเอาสิ่งสกรปรกออกเอาคราบเงื้อกิ่นเหม็นออกเนะี่ยพอเราอาบน้ําเสร็จเนี่ยเนื้อตัวสะอาดเนะนี่ยเนี่ยกุศลนช่ไหมนะชำระสิ่งสกรปรกออกไปเนะี่ยเป็นกุศลนะกุศลนี่มันมันทีไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรมากไปกว่านั้นก็ได้นะหรือทนะําก็ทําแบบไม่หวังผลนะ ทำทานก็ไม่ใช่ทําเพื่อหวังว่าจะต้องได้ราบได้อะไรนะทาความดีกับคนอื่นก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้รับคาขอบคุณหรือต้องได้อะไรต่างๆนะถ้าทําก็ทําแบบไม่หวังผลนะทาเพื่อทาเพราะว่าเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าในการทำนะหรือเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เขาจะได้รับเนะี่ย ถ้าทำแบบเนี้ยเป็นกุศลแต่ถ้าทำแล้วทำเพื่อจะได้อะไรเนี่ยทำเป็นอกุศลไม่ใช่กุศลเพราะเรามีความอยากนะมีความคาดหวังเนี่ยมันเข้าใจแบบนี้นะนทำกุศลให้ถึงพร้อมนะมันก็เป็นการชำระจิตได้เพราะว่าพอเราทำแบบไม่ต้องหวังอะไรเนี่ยจิตก็เป็นปกติจิตก็เรียกว่า ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าครอบคุมไปทั้งหมดเลยน ะ, ะนยการการฝึกสติเนาะการสร้างความสุขตัวเนี่ยก็ทำให้เรามีสิ น, นในการละความชั่วละสิ่งที่ไม่ดีในการที่เราเจริญบุญหรือว่าเจริญกุศลขึ้ น, นเรื่อยๆนะมันก็เกิดสติเกิดปัญญานะเกิดความไม่ทุกข์นะ เกิดพันหลุดพ้นนะ่ะเป็นวิมุตตินะในทีลักขณะนี้แหละนะสําคัญนะไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเราจะเป็นนั่นเป็นนี่หรือเปล่านะเนี่ยเอาความไม่ทุกข์นะที่ปัจจุบันนะ่ะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ที่ปัจจุบันนี่แหละนะเนี่ยตอนนี้ยก็เพียงพอแล้วนะะแต่ขอให้เราแค่เนี่ยทำํำบ่อยๆทำให้มันเรียกว่า ตั้งใจทนะํานาะแต่ไม่ให้ทําแบบเคร่งเครียดนะตั้งใจแต่ไม่เคร่งเครียดเนะี่ยทําแบบไหนเออแต่พอทําไปเรื่อยนะอความตั้งใจมันก็ไม่ใช่ว่าต้องไปพยายามอะไรมากนะมันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะมันก็รู้สึกตัวไปได้เรื่อยๆของมันเองนั่นแหละนะหลงไปบ้างนะก็ไม่เป็นไรหลงก็ดีจะได้รู้ว่ามันหลงนะ สงก็ดีได้เห็นว่ามันกิเรดอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันก็แบบสบายๆนะแต่ไม่ใช่สบายๆแบบเฉยๆเนื่อหรือว่าปล่อยๆนะก็ไม่ใช่แบบนั้นนะนะก็ต้องมีความเพียรมีความขยันยนะี่แหละอยู่เสมอนะมันเป็นเหมือนความพอดีนะทางใจกลางคือความพอดีคือความสมดุลระหว่างเนี่ย ไม่เพียนแล้วก็ไม่พักนะเป็นแบบไหนเพียนมากไปแบบในเชิงแบบตั้งใจเกินไปเนะี่ยก็ไม่ถูกนะแต่เพียนให้พอดีนะเป็นแบบไหนนะพักนะก็ไม่ใช่แบบพักใจในความสงบก็ไม่ใช่นะอออรืมพักแบบขี้เกียจขี้คันก็ไม่ใช่นะมนันคือความสมดุลระหว่างการกระทําแบบแบบเรียกว่า ไม่ต้องกระทำแบบตั้งใจมากเกินไปนะมีความตั้งใจแต่ไม่มากจนเป็นความเคร่งเครียดนะมีความผ่อนคลายแต่ไม่ใช่ผ่อนจนกทั้งใจมันลอยไปไหลไปเรื่อยนะแต่มันก็พูดเป็นภาษาเฉยๆนะแต่มันก็ยากมากมันมันต้องรู้ด้วยตัวเองนะแล้วก็สัมผัสด้วยตัวเองไอ้เรื่องพวกนี้มันพูดไปก็ สื่อความหมายมันยากมากนะใช้ภาษาในการแสดงสภาวะธรรมนะแต่ให้เราสังเกตสภาวะธรรมมันมีมันมีอยู่แล้วนะเราเพียงแค่ทมผัดมันให้มันได้นะมันมีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีภาษาก็ได้นะแต่เราจะดูได้อ๋อมันเป็นแบบนี้นะเหมือนเราทานอาหารน่ะปุ๊บนะไม่ต้องพูดก็ได้ว่ามันเปรี้ยวหรือหวานหรือมันหรือเค็มอะไรนะ พะบางทีรสชาติอาหารนะมันไม่มีภาษาไนะอ้ภาษาที่เราเรียกเนี่ยมันก็เรียกงั้นๆแหละเนี่ยมันไม่ตรงจริงๆหรอกเรากินอะไรเข้าไปเราว่ามันหวานปุบ๊บหวานเนี่ยมันก็คือความจำที่เราเรียกว่าหวานนะแต่มันหวานแบบไหนเราพูดให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยบางทีมันก็อธิบายยากนะแต่ถ้าเขากินเองเนี่ยปุบ๊บเขารู้เลยแบบนี้ มันคือรถอันนี้แต่เราพูดว่ามันรสหวานนะหวานในความจำแต่ละคนเนีน่ยบางทีไม่เหมือนกันอันนั้นก็เหมือนกันสภาวะธรรมนะให้เราให้เราสังเกตนะให้เราศึกษาบ่อยๆเราก็จะเข้าใจเราก็จะได้คำตอบนะมันก็พิจิงมันก็จะว่าจบเป็นแค่รู้สตเน่ะนะพอเลยนะนะ แต่ก็ให้มันกิงแล้วเราก็รู้สึกเนตัวบ่อยๆในแต่ละวันนะในแต่ละขณะให้รู้สึกตัวบ่อยๆนะไม่ว่าจะรู้กายก็ดีหรือรู้ใจก็ดีนะรู้สึกที่ไหนก็ได้ที่มันเด่นนะที่มันชัดที่มันเกิดขึ้นให้เราเห็นเด่นๆนั่นแหละเราก็รู้สึกที่ตรงนั้นนะออาก็ฝากไปครับ